นี้ต่อไปนะที่บอกว่าไอการติดใจที่ไม่ยอมให้ทานได้ก็เพราะอะไรเพราะของมันขาดแคลนอะ่ะมีของน้อยเนี่ยนะคือบางชาติเขาจนจนจนทําไงดีพระโพธิสัตว์บอกว่าเมื่อทายธรรมมีน้อยมีน้อยด้วยบกพร่องด้วยคือมีของเนี่ยมีน้อยด้วยแล้วไม่ดีด้วยก็ศึกษาว่าบอกตัวเองเลยนะสมาทาน อธิษฐานบอกตัวเองเลยว่าเมื่อก่อนเพราะเราไม่ชอบให้บัตรนี้เราจึงขาดแคลนปัจจัยอย่างนี้เนีย่ยนะสมมติว่าอย่างชาวชนบทเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยเกิดมาคำว่ามีเนี่ยมันยุรู้จักอะไรมีข้าวสารไม่บอกไม่มีมีน้ำปลาไม่ไม่มีมีกะปิไม่ไม่มี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 เราก็เอาแข่งกับใจเรานี่แหละถึงเราจะมีผ้าเก่าๆผ้าเส้าหมองก็เอาผ้าเส้าหมองของเราเนี่ยไปซักทำให้มันดีแล้วก็ทำบุญเนี่ยนะเราก็ให้ตามของที่เรามีอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ทานให้ได้เนี่ยน้อมของที่จะให้ทานเนี่ยให้สำเร็จให้ได้เราจักบรรลุทานบารมีแม้ต่อไปจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอนนี้เรายากจนเอาเถอะเรามีของน้อยมีของไม่มาก เช่นว่ามีผ้านี่ก็มีอยู่ไม่กี่ชิ้นเอาแบ่งเอาพาดบางชิ้นเนี่ยไปทําบุญให้ทานและก็บอกว่าด้วยผลของการให้ทานนี่ก็ขอให้เรามีผ้าเยอะๆเมื่อมีผ้าเยอะๆขอให้มีใจยินดีในการแจกจ่ายผ้าให้แจกผ้าเป็นทานหรือมีอาหารหน้อยๆเนี่ยนะก็แบ่งว่าเออหออาหารเหล่านี้ให้สัตว์ได้อิ่มได้รับประโยชน์เช่นว่าให้หมดก็ได้ให้หมด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 ในการไปให้เนี่ยเต็มบริบูรณ์พร้อมที่จะให้เขาได้เสมอถ้าหาว่าช่วยเขาได้จริงพระองค์เนี่ยทำได้จนถึงขนาดนั้นฉะนั้นชีวิตของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นชีวิตแห่งการให้เนี่ยนะฉะนั้นก็ต้องอา่าเรียกว่าให้เพื่อให้ให้เพื่อให้สะสมอัธยาสายแห่งการให้จนการให้เต็มเปี่ยมพระพุทธเจ้าคือใครคือผู้มีแต่ให้ น, นะนะผู้ที่มีแต่ให้ทําทุกอย่างเพื่อการให้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ สัตว์ทั้งหลายมันจะต้องสะสมอัธทยาศัยตัวนี้เพนก็เริ่มตั้งแต่ บ, บอกตัวเองเลยเนี่ยนะชั้นแรกเลยบอกตัวเองที่เรายากจนเดือดร้อนเนี่ยก็เพราะเราไม่ให้มานะเพราะเราไม่ให้นี่แหละเราจึงเดือดร้อนเพราะนั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยบริจาคมีฝ่ามือสะอาดยินดีในการเสียสละมีผู้ขอก็ยินดีในการแจกจ่ายทานตามมีตามได้ ก็คือมีเท่าไหร่ก็จ่ายไปตามสมควรที่จะได้เนี่ยนะก็มีการทําอย่างเหมาะสมเพราะฉะการผูกใจในทานข้อที่2ก็ถูกขจัดตัดขาดด้วยอาการอย่างนี้นะนะเขบอกว่าทัวในครั้งหนึ่งว่าถ้ามีของน้อยอะ่ะโอ้ยจะเอาอะไรไปทำบุญกับเขาก็บอกว่าก็แบ่งไอ้ของที่มันน้อยนี่แหละไปทําบุญเนี่ยนะแบ่งของที่น้อยน้อยนแหละสามารถที่จะให้ได้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 พระสูตรเขามีว่าผู้ให้ของรักย่อมได้ของรักเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสูงสุดจริ ง, รงๆแล้วเรารักสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่หรือบอกใช่ของอันนี้เรารักใช่ไหมถ้าเราจะได้สัมมาสัมโพธิญาณอันเป็นที่รักที่สูงสุดเราต้องสามารถให้ของที่เรารักเป็นทานได้นนะสามารถที่จะเสียสละของที่อย่างเช่นเรารักชีวิตก็ให้ชีวิตเป็นทานเพื่อโพธิญาณเรารักอวัยวะก็ให้อวัยวะเพื่อ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 อันพระโพธิสัตว์นั้นก็บริจาคมีมือสะอาดยินดีในการเสียสละเมื่อมีผู้ข อ, อก็ยินดีในการแจกจ่ายทานอันนี้เป็นวิธีแก้แก้ความตรนีที่มาติดข้องหรือหวงแหนว่าเออเนี่ยมันของดี น, นะมัชยริยะก็บอกโอ้เนี่ยกว่าเราจะได้สิ่งนี้มาหามาด้วยความทุกข์ความยากลําบากเราจะให้ได้ยังไงแต่นะอ้างโน่นอ้างนี้เพราะว่าคนที่ไม่ให้มันอ้างได้สรารพัดจน ไม่สามารถให้ได้แต่พระโพธิสัตว์อธิบายได้ทุกข้อว่าทําไมต้องให้ถ้าคนตรณีนะอธิบายจนไม่สามารถจะให้ได้แต่พระโพธิสัตว์ท่านคิดว่าท่านยังไงก็ต้องให้อธิบายยังไงก็ต้องให้ถ้าตรนีมากเหลือเกินบอกให้ซะ ก, ก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีว่า ง, งั้นน่ะนะอันที่สี่ท่านบอกว่าเพราะบางทีเนี่ยออถ้าเราให้ไปเนี่ยของเราก็มีน้อยอยู่แล้วมันก็สิ้นเปลืองสิเห็นไหมกลัวความสิ้นเปลืองแล้วทําไง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 แต่ถ้าให้จนหมดตัวได้จริงๆให้จนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆไม่ต้องกลัวหมดพนะกันอย่างที่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ท่านให้จนหมดตัวในตั้งแต่นั้นท่านไม่เคยเดือดร้อนเลยพรางั้นไม่เคยเดือดร้อนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลําบากแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะพื้นฐานมาจากเคยให้หมดตัวมาแล้วเขาวางั้นให้จนหมดตัวพ่านหลังจากนั้นท่านก็เลยไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรเนี่ยนะอย่างโยมบางท่านก็เล่าว่า มันไม่มีอะแต่ว่ากู้ให้ทานสักก่อนมนกู้จนให้ทานไปตอนหลังก็ไม่ไดข่าวว่าแกหมดตัวอะไรเนยนะก็กินอิ่มนอนหลับสบายอยู่ตามเดิมแล้วก็จะดูจะมีทานมากเกินไปจนน้ำหนักมันขึ้นแค่นั้นนหะ น, นั้นเนี่ยต้องมาแนะนำสั่งสอนตัวเองที่จะให้ว่าสภาพของโภคาทั้งหลายเนี่ยนะมันมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างสมมติ ข้าวที่เราหุงเสร็จแล้วมันก็มีอายุของมันอาหารทุกชิ้นมีอายุของมันเนยนะถ้าเป็นยาก็เหมือนกันก็ควรบริโภค ก, ก่อนหรือสิ้นอายุเวลานั้นเวลานี้ข้าวของทุกอย่างมันมีอายุใช้งาน น, นะมันจะมีอายุใช้งานรบรา บ, บ้านช่องที่เอ่อแนะม้กระทั่งผลมากรากไม้ทุกอย่างมันมีอายุซึ่งมันมีความสิ้นเป็นที่สุดมีความเสื่อมเป็นที่สุดแม้กระทั่งยาว่าของภายนอกเลยชีวิตของเรายังมี มีที่สิ้นสุดมีที่จบสิ้นพันธสรุปว่าสภาพของโภคะข้าวของเครื่องใช้เครื่องใช้ไม้สอยทุกชนิดอาหารทุกอย่างในโลกเนี่ยมันมีอายุของมันเป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ให้ลนะมันก็เสื่อมฟรีนะมันเสื่อมแบบอะไรนะเสื่อมแบบอย่างสมมติแบบมเมล็ดข้าวเหมือนกันนะถ้าถ้าไปเก็บไว้หลายปีเนี่ยไม่ใช่ว่าข้าวเปลือกมันจะจะไปปลูกขึ้นนะปลูกไม่ขึ้น มันหมดเยื่ อ, อยางมันหมดเยื่อใหยข้างในมันก็เอาไปเพาะไม่ขึ้นแล้วดูภายนอกมันจะสภาพข้าวเปลือกก็ตามแต่มันเป็นข้าวที่สิน้นสิ้นพืชสิ้นเยื่อใยเนี่ยนะสิน้นสิ้นอะไรคือสิ้นเยื่อใยสิ้นยางนี่ก็เพาะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเก็บไว้อย่างนั้นเพาะก็ไม่ขึ้นกินก็ไม่ได้ในที่สุดก็กลายเป็นข้าวผุนะาตามชนบทสมัยใหม่เขานิยมใช้คําว่าข้าวผุกก็มีข้าวข้าวเก็บจนเก่าแล้วมันก็ข้าว มันเสื่อมสภาพแล้วมันก็ผกุก็คือเอามาขยี้ขยี้แล้วมันก็ร่อนเป็นผงไปเฉยเฉหมดสภาพหมดสภาพของข้าวกลายเป็นฝุ่นอ่างั้นเถอะหมดสภาพอันนี้ก็คือในที่สุดข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลายเนี่ยนะแม้กระทั่งอาหารการกินทุกชนิดมันมีอายุของมันเหมือนประไตรปิกเนี่ยถ้าไม่อ่านก็ผุแน่นะเพราะฉะนั้นะนก่อนอ่านก่อนที่จะผุเป็นต้นเนี่ยนะหรือชีวิตของเราถ้าไม่ใช้ให้มันเต็มที่เอามาใช้ทําบุญนะเดี๋ยวก็ผุเนี่ยนะ แล้วก็เปื่อยแล้วก็ผุเนี่ยนะทั้งผุทั้งเปื่อยทั้งเน่าอาทุกอย่างอะไรนั้นถ้าไม่รีบใช้ทําบุญซะก่อนเนี่ยเดือดร้อนแน่มันก็มีเรี่ยวมีแรงก็รีบทำบุญให้มันเต็มที่ก่อนจะได้ไม่หนักใจในวันหลังเพราะฉะนั้นสภาพของโพคะเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเพราะเราไม่ทําทานเช่นนั้นมาก่อนโพคาทั้งหลายจึงปรากฏความสิ้นไปอย่างนี้ก็คือบอกตัวเองว่าที่ของเราหมดเนี่ยนะที่หมดเพราะเราให้ทานมาไม่ดี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 เราพึงให้ทยธย ร, รมตามที่ได้น้อยก็ตามภัยบุญก็ตามของจะน้อยเราก็ให้ของจะมากเราก็จะให้เราอยู่ณที่ใดมีเท่าใดก็น้อมไปเพื่อการให้เราจักบรรลุที่สุดแห่งฐานบารมีต่อไปอย่าลืมว่าขนาดข้าวของเล็กๆน้อยๆ ย, ย, ยังให้ไม่ได้เอาจะให้มรรคผลคนอื่นได้อย่างไงเอาอคือพระพุทธเจ้าคือใครคือคนที่ให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้ว นิพพานสมบัติแก่สัตว์พรสัตว์ทั้งหลายทีนี้ถามว่าถ้าเราปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งของเล็กๆน้อยยังจะให้ไม่ได้เอาแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจะให้เขาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็สรวลว่ายังไงก็ต้องให้เนี่ยนะจะมีเล็กมีน้อยมันจะสิ้นเอา้าสิ้นก็ให้มา ง, งั้นถต่คือคนที่จะถึงสูงสุดจริงๆเนี่ยเขาจะต้องให้จนเรียกว่าไม่รู้จะให้ยังไงแล้วนะนั่นแหละจึงจะพอมา ง, งั้น ให้จนคำว่าให้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไปเรียบร้อยแล้วเป็นอัธยาศัยเป็นจิตใจของเราไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเหมือนเราสะสมความโกรธมาเนี่ยนะเรื่องไม่เป็นเรื่องฝนตกหรือฟ้าผ่ามาเปี้ยงเราก็โกรธหมดสรุปว่าเราจะโกรธได้กับทุกเรื่องเนี่ยนะเราไม่มีความสุขได้กับทุกเรื่องเพราะาสะสมอัธยาศัยเช่นนั้นมาฉั้นใดพระโพ ธ, ธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็มาฝึกอัอธยาศัยในการให้ทานจนสมบูรณ์ฉันนั้น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 เขาบอกว่าจะให้ลุยน้ำํำลุยน้ําลุยไฟทุกอย่างก็จะทํเขาเรียกว่าฝ่าดงน้ําฝ่าดงระเบิดอะไรเพื่อ mm hmm. เพื่อนะครับว่าจะทําได้ทั้งหมดคือคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่ า, วาโอ้โหเนี่ยนะจะอุปสรรคขวางกั้นขนาดไหนจะต้องไปให้ได้เว้นไว้แต่ถ้าฝนตกก็ไม่ไปอย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็เกินไปแล้วนี่ลักษณะนี้ก็เหมือนกันนะบอกว่าบางคนเขานัดเจอกันนะบอกโอโ้จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรขนาดไหนก็ช่างเถอะจะต้องไปพบกันให้ได้วงเล็บ เว้นไว้แต่ฝนตกนะถ้าอย่างนี้มันก็เกินไปใช่ั้ยบางคนก็บอกโอ้โหเนี่ยเขาทำทุกอย่างเพื่อความเป็นพระพุทธเจนะ้าน่ะเออแต่ว่าไอ้ต้นไม้ดอกนี้ต้นไม้ต้นนี้เอาใหก่อนนะนะอย่างอื่นให้ได้หมดเลยเวนะ้นเะว้นอันนั้นนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นจะต้องสละตนเพื่อพระพุทธเจ้าเมื่อสละตนถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วมีอะไรที่ทำไม่ได้บ้างอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดย่อๆแล้วนะ ผู้สะสมบุญญาพิเิหารตั้งความสั่งสมบุญตั้งความปรมาปรถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีความเยื่อใยในตรงอย่างจืดจางมีความเยื่อใหญ่ในผู้อื่นเจริญเป็นอุบายบารมีให้เหล่านั้นให้สาเร็จเป็นคนที่ไม่ค่อยรักตัวเองเนี่ยนะแต่รักคนอื่นมากกว่าเนี่ยนะนะเป็นคนที่ไม่รักตัวเองเท่าไหร่เพราะรู้ว่าตัวเองจะต้องทุกข์ขนาดไหนแต่เห็นความทุกข์ของคนอื่น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 มหาวิปัสนาที่อบรมสั่งสมมาเป็นอย่างดีด้วยความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ด้วยปัญญาที่กว้างขวางเนี่ยนะพิจารณนานโลกตามเป็นจริงะนะทั้งโดยความสิ้นไปเสื่อมไปโดยพื้นฐานก็มุ่งปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายอยู่แล้วเพราะฉะนนั้มีอะไรบ้างที่ให้ไม่ได้